พระพเจ้าพระภัยบุ์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเรามีนัดหมายกันนัดหมายกันในการที่จะทําความเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรมะตัวท่านผู้ฟังนั้นสามารถที่จะนั่งสมาธิไปด้วยแต่เราก็พิจารณาตามไปนั่งสมาธิไปฟังข้าพเจ้าพูดไปเป็นการฟังเทศไปด้วยเป็นการพิจารณาตามไปด้วยแต่เป็นรูปแบบการปฏิบัติอย่างหนึ่ง อย่างในสมัยครั้งพุทธการพระเจ้าเทศอยู่แล้ภิกษุสงฆ์ก็นั่งฟังพิจารณาตามไปในขณะที่นั่งฟังพิจารณาตามไปนั้นก็จิตหลายๆคนก็บรรลุตามที่พระเจ้าได้เทศสอนอยังกรณีของปัญจาวะขีนี้ก็เหมือนกันในตอนที่ไปเทศแสดงธรรมจั ก, กรขปวัตตนสูตรและทุกคนก็นั่งฟังกันอยู่อา้าท่านพระอัญญาโกฏัญญะ ก็บรรลุเป็นโสดบันในสองสามวันในช่วงที่ติวเข้มกันนั้นเทศอนัตตะลักขณสูตรติวเข้มกันทั้ง5้ารูปนั้นนั่งฟังอยู่ก็นั่งสมาธิปไปด้วยนาจิก็หลุดพ้นจากอาสวะแล้วก็บรรลุเป็นพระอาารันคือที่พูดนี้นี้เป็นรูปแบบหนึ่งเฉยๆแต่บางท่านบางคนนี้ก็ไม่ได้ฟังเทศไปอยู่ที่หกเร้นอยู่คนเดียว เดินจงกรมนั่งสมาธิไปมาไม่ได้ต้องฟังเทศใครแต่ใคร้ครวนไปด้วยตัวเอ ง, งก็หลุดพ้นได้เหมือนกันพระองค์บางท่านบางรูปไปบินธบาตระหว่างบินธบาตนั้นจิตพิจารณาดิ่งลงไปงก็บรรลุได้เองก็มีเหมือนกันนั้นรูปแบบมันก็มีเป็นไปต่างๆตอนนี้เราเก็จะมาปฏิบัติผ่านทางวิทยุนี่แหละโดยเริ่มต้นจากการที่ให้เราตั้งสติเอาไว้และสติเราจะตั้งขึ้นได้ แต่มันต้องมีเครื่องมือเครื่องตั้งจังหวะจากโคนของมันเหมือนกันเครื่องมือที่เราจะใช้ในการที่เราจะตั้งสติเอาไว้นั่นคือลมหายใจลมหายใจเป็นหนึ่งในเครื่องมือแต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราจะใช้ในการตั้งสติของเราให้ได้โดยการที่เราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาก่อนในขณะที่เราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้ให้เราเอาจิตของเราเนี่ยการที่เราจะมาลึกถึงจนว่าเราระลึก ถึงเรื่องที่ผ่านมาระลึกถึงชื่อคนระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแ่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาระลึกถึงลมหายใจนั่นคือจิตของเราก็มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจทีนี้ลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่นีมันเคลื่อนที่อยู่เนี่มันเป็นไปต่างๆนานาไม่ได้เป็นก้อนที่เราจับได้ด้วยเวลาที่เราระลึกถึงก็จริงต้องมีจุดมีตำแหน่งที่จะให้เราตั้งจิตของเราขึ้น ในชุดในตําแหน่งที่ก็คื อ, อ, อตําแหน่งทางเข้าออกของลมหายใจลมหายใจมันเข้าออกอยู่บริเวณไหนแล้วเราให้ใจของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้ถึงลมหายใจณนะบริเวณนั้นเวลาที่เราจะรับรู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโดยเฉพ่างยิ่งที่เป็นสัมผัสทางกายเนี่ยเราก็ต้องรับรู้ผ่านทางสัมผัสเพราะนั้นถ้าเราสัมผัสถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจที่มันมากระทบ อยู่ทางเข้าออกของลมหายใจได้ที่ตรงไหนเดี๋ยวเราก็าเอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้ น, ห, นหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากยาวเท่าดั้งเราเท่านั้นเองทางเข้าทางออกของลมหายใจก็ให้จิตของเรามาตั้งอยู่ที่นี่ก็ได้คือบางคนนั้นอาจจะรับรู้ถึงสัมผัสได้มากได้น้อยนั้นได้แรงได้ค่อยก็ยต่างกันไปเอาเป็นว่าเราตั้งจิตของเราไว้ที่นี่เดียวพยายามใช้ทางเข้าออกของลมหายใจนี้ ใจลมหายใจเป็นเครื่องมือรับรู้ถึงสัมผัสแล้วก็ตั้งจิตของเราไว้การที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่ในที่ตาแหน่งทางเข้าออกของลมหายใจเนี่เรียกว่าคุณตั้งสติขึ้นละเมื่อไรก็ตามที่จิตมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นสติตั้งขึ้นแต่อย่างเวลาที่เราจิตเราไปอยู่กับความคิดความคิดใดความคิดหนึ่งเช่นความคิดนึกถึงพระพุทธเจ้า เราก็คุณก็ตั้งสติด้วยขึ้นละด้วยการระลึกถึงพุท ธ, ธะแตนะตั้งสติขึ้นด้วยการนึกถึงพระบรมชาติแต่ทีนี้ไอ้ความคิดนี้เราก็ต้องระวังว่าเป็นความคิดประเภทไหนแตนะ่ถ้าเป็นความคิดที่เป็นการพยายามบิดเบี้ยนอันอนี้ก็จะกลายเป็นมิจฉาสติไดนะ้หรือความคิดที่มันทําให้เรามีความกําหนัดร่มหลงหรือความคิดที่ทําให้เรามีความขยั ข, ย áng, ขย áng, ัแข็งเกลียดชังโกรธขึ้นมาอันะนั้นก็จะทําให้เป็นมิจฉาสติได้ แต่สัมมาสตินั้นก็คือเราใช้ลมหายใจของเราก็ได้ใช้การที่เราระลึกถึงพระบุญชาใช้การที่เราระลึกถึงพระสงฆ์หรือคุณงามความดีของตัวเราเองแต่นึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจิตเราก็ตั้งขึ้นได้สติเราก็ตั้งขึ้นได้ในกรณีนี้ที่เรากําลังทําอยู่นี้คือเราใช้ลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งให้สติ เกิดขึ้นในใจใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้นในใจลมหายใจนี้เข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติเรามาระลึกถึงลมหายใจเมื่ อ, อไหร่เพราะสติเกิดขึ้นตรงนั้นจิตถ้ามาอยู่กับลมหายใจเมื่ อ, อไหร่ใ้สติตั้งขึ้นทันทีทีนี้ความตั้งขึ้นของสติเดือดความรังพยายามตั้งขึ้นตั้งขึ้นเหมือนกับเวลาเราขับจักรยานอย่างงี้เราพยายามจะทรงตัวขึ้นมา หนให้มันตั้งขึ้นน่ะให้จักรยานมันมันตั้งขึ้นน่ะไม่ล้มเพลลงไปหนาะก็ต้องมีการตั้งให้มันได้ระยะต้องมีการตั้งให้มันทําไปได้ระยะหนึ่งหนะคือถ้าตั้งขึ้นปุ๊บล้มเพลตั้งขึ้นปุ๊บล้มเพะเออมันก็ยังไม่สําเร็จประโยชน์ของมันหนาะตั้งขึ้นได้อยู่แตนะ่แป๊บเดียวหนะคือบางคนระลึกถึงลมหายใจไดนะ้แต่ได้แป๊บนึงแล้วก็ใจมันก็หนีไปคิดเรื่องที่ไม่ดีอีกละหนีไปความเจ็บทางกายบ้าง ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่เราพยายามตั้งขึ้นให้ได้มันได้ต่อเนื่องทําให้มีความต่อเนื่องไอความต่อเนื่องที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้นี่ก็คือสติที่ค่อยมีกําลังเพิ่มขึ้นมาแต่ในขณะที่เรากําลังเฝ้าสังเกตลมหายใจของเราอยู่มีสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามที่จะตั้งสติของเราขึ้นให้ได้แล้วอุปสรรคต่างๆที่มันจะมาคอยกวนคอยขัดขวางนะให้สติของเราเนี่ยมันเปลอเพลินไป แตไม่รู้ไม่เห็นตั้งทำสมาธิไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่านิวรหรือว่าเครื่องกั่งกัน้นทั้งหาสิ่งที่เราจะพบกันมากอย่างหนึ่งนั่นคือความฟุ้งซ่านโดยเฉพาะยิ่งคนในยุคปัจจุบัน แ, แต่ฟุ้งซ่านมากจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ใน่ไอ้ฟุ้งซานนี้ก็ต้องแยกแยะความแตกต่างนิดหนึ่งระหว่างเช่นว่าความแตกต่างของการคิดวิเคราะห์พิจารณา ที่มันไม่เหมือนกับความฟุ้งซ่านมันต่างกันอยู่แต่คือความฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะไม่สงบในจิตจะมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนทําให้สมาธิเกิดขึ้นไม่ได้แต่ความรุ่มร้อนเร่าร้อนอันเป็นผลของความฟุง้งซ่านเนี่ยและไอ้ความคิดในทางฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เป็นไปในทางการพยาบาทเปลี่ยนด้วยแต่ถ้าสิ่งที่เอาพิจารณามันคนละอย่างกันสิ่งที่เราพิจารณานั้นน่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นไปในทางที่ไม่ใช่เกี่ยวเนื่องด้วยการ ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวเนื่องด้วยความเปลียดเบี่ยนอย่างที่เราคิดวิเคราะห์ถึงกายเราอย่างนี้เป็นต้นแตกายนี้ประกอบด้วยกระดูกประกอบด้วยหนังเอาลอกหนังออกในเลือแต่เนื้อคนใต้เนื้อเป็นอะไรเป็นกระดูกก็มีเป็นซี่โครงก็มีอ่าเป็นเอน็นเป็นอวัยวะต่างต่าข้างในไปกว่านั้นแลก็มีอวัยวะมีเลือดมีเนื้ออะไรต่างซึ่งความคิดนึกตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกาม นะี่ยไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทไม่ได้เป็นไปในทางเบียดเบียนซึ่งความคิดนึกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการพิจารณาไดา้เพราะมันจะแตกต่างกันเนะื้จิตของเราเราต้องทราบว่าจิตของเราเนี่ยตั้งสติขึ้นได้หรือไม่ทีนี้ไอ้เจ้านิวรณนะ์หนึ่งในนิวรณ์ที่มันจะคอยกางกั้นเราคือเรื่องของความฟุ้งซ่านนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างเวลาเช้าๆช้าถ้าไปฟังลุกขึ้นนั่งสมาธิเนะืร่างกายเราพักผ่อนมา พอสมควรละนะ่รู้สึกถึงความที่มันจะมีภาระทางกายน้อยในะเรื่องที่ทางกายมันค่อนข้างจะรับความสะดวกมีความเป็นสปายะเนี่ยใจของเราก็ทําให้ตั้งขึ้นได้ง่ายอันนี้อาจจะมีส่วนกันแตนะ่เวลาที่ถ้าเราปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนีนะ้หรือว่าร่างกายไม่สบายนะป่วยอย่างเงี้ยในะการที่จะตั้งจิตขึ้นมันก็อาจจะยากเพราะมันมีเครื่องกวนคือปัสสาวทางกายมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ากายของเรา มีความสบายมีความเป็นสปายะอาจจะป่วยตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ก็ยังมีความดีอยู่ในระยะหนึ่งอย่างเราลุกขึ้นตื่นนอนใหม่ๆจึงเป็นเวลาที่สมควรหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีเนี่ยคือตอนช่วงที่เปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันอย่างนี้แหละหรือช่วงที่เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนอย่างี้กิดการงานต่างๆยังไม่เริ่มคือตอนเช้าใช่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น หรือว่ากิจการงานต่างๆเสร็จสิ้นไปะละต่หลังจากที่เรากลับจากที่ทํางานละอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราทําได้พิจารณาได้และเมื่อเราทําจริตของเราให้มีความสงบมีความตั้งมั่นพอสมคมวรการที่เรามีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้เนี่ยนอกจากเป็นการที่ตั้งสติขึ้นแล้วแต่ยังเป็นผู้ที่เห็นกายในกายด้วยนั่นเปราะว่าลมหายใจของเราก็เป็นกายอย่างหนึ่งอย่ในกายของเรานี้ มีหลายอย่างนะตื่นฟังแต่กว่าที่มันจะมาประกอบขึ้นเป็นกายเราไล่มาจากเยอตัวอย่างเช่นหัวของเรานะหัวนะร่างกายของเรามีอวัยะวะต่างๆใช่หเอาที่มองเห็นจากภายนอกได้แต่ก็มีตาอยู่สองก้างมีจ ม, มูกอยู่จ ม, มูกนึงมีปากอยู่หู ด, ด้วยผมถัาเราเป็นพระก็ไม่มีผมมีแขนมีขามีตัวอันนี้เห็นได้ แต่ที่เห็นได้อย่างหนึ่งคือผิวหนังนะผิวหนังเป็นยังไงบางคนก็หยาบบางคนก็ละเอียดสีสันก็แตกต่างกันไปเล็บเราก็เห็นยิงฟันขึ้นอา้าวฟันก็อยู่ข้างหนนะ่ลิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยพูดสิ่งดีก็ได้พูดสิ่งชั่วก็ได้ลนะจมูกก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่คือกายที่เราเห็นได้จากภายนอกนีก่ส่วนหนึ่งแนะลอกเข้าไปใต้ผิวหนังเข้าไป่ในะต้ผิวเนี่ยก็เป็นหนัง ผิวเนี่ยมันบางๆเขาเรียกว่าบางมากทับหนังอยู่ผิวนี้นก็เปลี่ยนสีได้ถูกแดดถูกลมมันก็เปลี่ยนแปลงไปหนังนี่ก็หนาขึ้นมาหน่อยอยู่ข้างใต้ผิวนะใต้หนังลงไปอีกก็จะเป็นชั้นไขมันบ้างเป็นชั้นของเนื้อเป็นชั้นของพวกเซลล์พวกอวัยวะต่างๆนะเป็นเนื้อใต้เนื้อลงไป ใ, ใต้เนื้อลงไปก็เป็นกระดูก กระดูกก็กระดูกเล็กก็มีกระดูกใหญ่ก็มีแย่ากระดูกที่ไม่ได้มีเอ็นหุ้มอยู่มีแต่พวกกล้ามเนื้อหุ้มไว้ก็มีอย่างกระดูกที่ถูกหุ้มด้วยเอ็นต่อกันด้วยเอ็นอย่างนั้นก็มีนอกจะมีพวกกระดูกเนี่ยพวกเอ็นเนื้อหนังพวกนี้แล้วนที่อยู่ข้างใต้ผิวลงไปเนี่ยมันก็ยังมีอวอยัยวะภายในต่างๆแต่าไล่มาตั้งแต่หัวของเราเนี่ยมีสมอง เนที่เราคิดพิเคาะอะไรต่างๆนี่ก็สมองเดิตใต้สมองลงมาผ่านระบบประสาทเราก็มีระบบหูการรับฟังนั่นนี่เดิผ่านลงมาเอามีตาด้วยเด ล, ลูกในตานี่แหละผ่านลงมาอีกเ่นก็มีคอหอยมีคอหอยมีกระดูกชนิดที่เราหายปลาเดินมีหัวใจมีตับมีปอดเดิใกล้ของเรา มีอวัยวะภายในต่างๆมีม้ามด้วยมีถุงน้ำดีมีกระเพาะมีไตมีตับมีเนื้อหนังเลือดน้ำดีน้ำเสลทีพวกนี้เอยู่ในระบบร่างกายของเรามีน้ำดีน้ำเสลอาหารที่ยังอยู่ในกระเพาะที่เพิ่งย่อยใหม่ๆอาหารที่ย่อยเสร็จแล้วดูดซึมสารอาหารแล้วจะออกมาเป็นอุจจระพวกนี้่อยู่ในระบบลำไส้ของเรา ลำไส้ก็มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่บินอยู่ในกายของเรานี่ยกายของเรามีหลายอย่างกายของเรามีส่วนประกอบต่างๆเยอะแยะนั้นการที่เราเห็นลมหายใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกายของเราเนื่นพราะว่ากายมันมีส่วนประกอบต่างๆนนหนึ่งในส่วนประกอบนั้นก็คือออกซิเจนที่มันพาไปในร่างกายออกซิเจนที่มันพาไปร่างกายก็มาจากลมหายใจที่ก็มาจากปอดที่ฟอกอากาศใช่ไหม ทำการเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเอาของเสียต่างๆจากร่างกายเป็นอากาศออกไปแล้วก็เอาสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งที่ต้องกายต้องการก็คือออกซิเจนผ่านเข้าไปแล้วก็ไปตามระบบเลือดไปตามกระแสเลือดผ่านไปในกายต่างๆเอาพิจนะารณาซ้ำไปซ้ามาให้เห็นอยู่ในกายของเราก็ชื่อว่าเป็นการเห็นกายในกายเหมือนกันแต่ท่านฟังจะเห็นว่าเวลาที่เราตั้งจิตไว้เนี่ยตั้งสติไว้เนี่ย ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องอยู่นิ่งๆอย่างนั้นแต่คืออยู่นิ่งๆก็ได้ก็ดีนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งการที่เราพิจารณาไปตามกายเราไล่ไปตามกายส่วนประกอบต่างๆของกายใจของเราไม่ได้อยู่นิ่งนะก็คือไปตามกายแต่ชื่อว่ามีสติอยู่ตั้งสติเอาไว้อยู่ทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับจักรยานนะ่ะน ะ, ะพระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีการเคลื่อนที่เนี่ยมันล้มแน่นอน นะีมันต้องมีการเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ไปแบบไหนอ่ะถ้าแท้แทะจักรยานไปข้างๆมันก็ไม่ใช่ตั้งมันก็ต้องตั้งขึ้นมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่ทําให้มันทรงตัวอยู่ได้แต่ต้องมีการหมุนแต่ต้องมีการตั้งแต่มันจะหมุนให้มันมีเขาเรียกว่าพลังงานทอร์กเนี่ยนะเพื่อให้มันตั้งขึ้นได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราจะตั้งสติไว้เนี่ยบันที่เราก็ต้องมีสมรรถะด้วยแต่คือทําจิตให้นิ่งแต่ต้องตั้งให้ได้ บางทีเราก็ต้องมีวิปัสสนาด้วยการที่เราพิจนารณาไล่ไปตามกายของเราอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการตั้งสติได้ชิ้งต่างๆที่มันแวดล้อมจิตอยู่เนี่ยจิตเราพิจนารณาไปจิตเรามีสติจิตเราระลึกถึงลมหายใจแน่วแน่นิ่งอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติและสติที่ตั้งขึ้นได้นี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าคิดไว้ว่าจะเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์แต่เป็นหนทาง ที่จะพาสัตว์ทั้งหลายที่ยังอยู่ในห่วงทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยออกจากสังสารวัฏได้คือแต่เปรียบเหมือนกับเราอยู่ในเขาวงกฏเนี่ยโอ้ไม่รู้ทางไหนไปดังออกนะซ้ายขวาหน้าหลังหรือบางทีมันมืดไปหมดเอชันจะจะทำยังไงต่อไปในะบางคนก็ประสบปัญหาในชีวิตต่ตางๆไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรนะทางที่เราจะไปได้เนี่ยจะมีสติปเป็นเหมือนกับแสงที่จะส่องพาเราไปเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียว ที่จะทำให้เราหมดจากความทุกข์ที่สตมนิพพานให้แจง้งในซึ่งเรื่องนี้เราสามารถมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยเพราะว่าบางทีในขณะที่เราเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราตั้งสติของเราขึ้นให้ได้แลนะเราตั้งสติของเราขึ้นให้ได้ทําจิตให้พยายามมีความสงบอยู่บ้างในะความสงบสติที่ตั้งขึ้นได้บางทีมันทําให้การคิดอ่านการงานเนี่ยมันมันแจ่มชัดขึ้นมา แต่คือถ้าเรากังวลมีความเครียดมีความตื่นเต้นตกใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหรือมีความกลัว่ความสะดุ้งหวาดเสียวเกิดขึ้นพวกนี้ในจิตของเราไม่สามารถที่จะตั้งกึนได้แน่จิตของเราไม่สามารถที่จะเห็นแจ่มชัดแน่จิตของเราก็จะขุ่นมัวมีอกุศลกลุ่มรวมครอบงำใ น, นการตัดสินใจผิดพลาดพอมีการตัดสินใจผิดพลาดก็ทําผิดพลาดทําผิดพลาดก็ยิ่งแย่ลงไปแต่มันก็ไปยิ่งมืดทีนี้ยิ่งมืดเข่ามืดเข่า ยิ่งเดินผิดทางผิดทางยิ่งแก้ยากยิ่งแก้ยากนี่ยเราก็ต้องพลิกผันกลับขึ้นมาต้องตั้งสติของเราให้ได้น้อยก็ตามมากก็ตามก็ต้องฝึกก็ต้องทํานี่ยยิ่งถ้าเราผิดพลาดมาเยอะแล้วการฝึกการทํามันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นก็ต้องทํานี่เพราะว่าสิ่งนี้มันดีทําแล้วดียากแค่ไหนเราก็ต้องทําได้มากบ้างน้อยบ้างเอาก็แต่ตามแต่ละความสามารถตามแต่ละอีสภาวะจิตมันแตกต่างกันไป ไอสภาวะจิตที่แตกต่างกันไปนี่แหละแตนะเราฝึกเราทํามันจะมีความเสมอกันได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับช้างหรือมา้านะที่ควรฝึกนะเอามา2ตัวนะต้องสองตัวเป็นช้างที่ควรฝึกเป็นม้าที่ควรฝึกได้ทั้งสิน้นแต่ตัวหนึ่งนะยังไม่ได้ฝึกแต่อีกตัวหนึ่งเอาไปฝึกแล้วฝนะึกเสร็จแล้วกลับมามันก็เหมือนไม่เหมือนละ่ะไม่เหมือนกับไอตัวที่มันยังไม่ได้ฝึกแต่ตอนแรกก่อนที่จะเอาไปฝึกนี่มันเหมือนกันนะ แต่พอฝึกกลับมาแล้วตัวที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ต่างกับตัวที่ฝึกแล้วเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยแม้ถ้าเรามาฟังรายการธรรมะเนี่ยนะข้าเจ้าขอบอกได้เลยนะว่าเราเป็นผู้ฝึกได้เน้อฝึกได้ไม่สายเกินไปคุณเปิดรายการพิธียุมาเจอคลื่นนี้พอดีเอ๊ะฟังดูแล้วเออฉันก็จิตโน้มเอียงไปในแถวแนวทางธรรมะนะถึงคุณเป็นผู้ที่เรีมีธรรมานุสารีนะแต่อ่อรับฟังธรรมะอยู่ นะมีจิตใจที่อย่างน้อยอยังโน้มเอียงเทเอียงไปในแนวทางนิพนธ์แต่เร า, า จ, จะอยู่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเราเราปฏิบัติไปเราจะรู้ได้แต่สภาวะจิตของคนเรามันแตกต่างกันไปพอเราเข้าข่ว่าเราพอจะเป็นผู้ฝึกได้เนี่ยแล้วถ้าบอกว่าไม่ได้ฝึกเนี่ยมันเสียดายมากแต่เหมือนกับช้างหรือม้าที่ฝึกได้นะฝึกได้พ่อแม่มันก็ดีหนะมายถึงว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันก็ดีใช่ไหม ครูฝึกก็มีแต่ว่ายังไม่ทันฝึกตายซะก่อนอย่างเงี้ยแม่เสียดายมากเหมือนกันถ้าปบอกว่าจิตของเราเอ้เรามีจิตน้อมเอียงเทเอียงไปในแนวทางธรรมะอยู่บ้างฟังแล้วก็ยังฟังต่อได้แต่แต่ถ้ายังไม่ได้ฝึกหรือฝึกยังไม่เสร็จแล้วตายไปก่อนเนี่ยนะแม่มันเสียดายแต่เพราะว่าถ้าเราตายไปเอาละแตนี้เนี่ยยังถ้ายังไม่มีความมั่นคงในธรรมะเวลานี้มันอาจจะไปไหนก็ได้ แต่อาจจะเป็นนรคกำเนิดเดรัจฉานปรตวิสัยซึ่งนรคกำเนิดเดรัจฉานปรตวิสัยนั้นเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างมากนะอย่าได้เสี่ยงไปเลยนะหรือว่าบางทีเราอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่มนุษย์หรือเทวดานั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดในครอบครัวหรือบริเวณที่มันมีสมาธิติดไหมสมัยนั้นยังมีคําสอนของพระเจ้าอยู่ไหมคนแถวนั้นก็ประมาทมัวเมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตอนนี้เรายังได้ยินธรรมะอยู่มีธรรมะของพระเจ้าประกาศเ ป, ป, ป่าวๆอยู่ มีคนยังคอยที่จะบอกสอนคอเป็นเอ็นพูดอยู่แต่เพื่อที่จะให้เรารู้ถึงว่าเอ้ไอธรรมนิมเป็นยังไงเราควรจะต้องฝึกต้องทําแต่ทำให้มันได้ผลด้วยนะฝึกให้มันเสร็จอย่างน้อยถึงขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นที่จะมีความมั่นใจมีความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสนาตนตไม่ต้องเชื่อตามข้าพเจ้าไม่ต้องเชื่อตามผู้ใด ว่าคําสอ ง, องพระเจ้านั้นมันดีขนาดไหนแต่เราต้องให้ถึงระดับนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเรามีความอยากเกิดขึ้นปุ๊บเนี่มันเกิไม่ได้สิความอยากจะทําให้เราเป็นความทุกข์แต่เราต้องสร้างเหตุให้ถูกเหตุแห่งการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งผู้ที่ควรฝึกได้แล้วจะฝึกสําเร็จหนึ่งในนั้นคือความเพียรเต็มระวังหนึ่งในนั้นคือสติตันระวังนะสติความเพียรเอาเราลงหมายใจของเรามามาตั้งไว้ ไม่ใหมัมาจดจ่อยอยู่กับจิตเอาจิตของเราให้มันมาจดจ่อยอยู่กับลมหายใจสติตั้งขึ้นละวในสติตั้งขึ้นแล้วออกพยายามในคือความเพียนในการที่จะทรงสตินี้ไว้ตั้งนี้ไว้ไม่ใช่ตั้งปุ๊บไปถึงนาทีมันล้มเพะเอาเคลื่อนออกไปเอาตั้งไม้แต่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความชานาญสติของเราจะได้ต่อเนื่องสตินี้จะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เรานั้นฝึกสําเร็จจะทําให้จิตของเร า, เรานั้น ไปสู่ทางที่ถูกต้องปัญหาต่างๆใครๆก็มีท่านฟังแต่ทุกคนมีปัญหาหมดพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทก็ยังมีปัญหาดูสิร่ํารวยขนาดนั้นแต่มีความเพียบพร้อมเอิบอิ่มขนาดนั้นก็ยังมีปัญหาในชีวิตคนจนก็มีปัญหาของคนจนแต่คนที่มีเงินก็มีปัญหาของเงินที่ตัวเองมีคนที่มีอํานาจก็มีปัญหาตามอํานาจที่ตัวเองมีแต่คนที่มีความสุขความสุขนั่นก็กลับกลายเป็นปัญหาบางบางทีปัญหาเนี่ย เราจะทําให้มันไม่เป็นปัญหาได้เนี่ยเราต้องเผชิญหน้ากับมันแต่ถ้าเราหนีปัญหาอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้แต่เรารเผชิญหน้ากับมันก็ไม่ใช่ว่าบื้อไปให้เข้าวิ่งเข้าวาปัญหาตัวเราก็เจ็บเปลนะ่าๆหรือแกว่งเท้าหาเสียษไม่ใช่แต่เราที่จะเข้าหาปัญหาพุ่งใส่มันเนี่ยต้องมีเครื่องมือต้องมีความเข้มแข็งแห่งจิตแต่คุณจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถบาง แต่ซึ่งความรู้ความสามารถที่เราจะมาใช้ในการแก้ปัญหาได้นึ่งในนั้นต้องมีสติอยู่แตนะเราจะมองมันจากมุมของความเป็นธรรมดาแตนะว่าไอป้ปัญหาที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยใครๆเขาก็เจอนะมีหมดทุกคนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนแต่ทางออกมีอยู่แต่วิธีที่ทำให้ถึงทางออกนั้นก็มีอยู่เวลาที่เราตั้งสติ ข, ขึ้นในใจของเร า, เาให้ใจของเรามาอยู่กับลมหายใจสติตั้งขึ้นลว สติที่มีขึ้นตั้งขึ้นได้พอจะเป็นเนื้อเป็นหนังใช้กินใช้ดื่มใช้ประโยชน์ได้แล้วจิตของเราเป็นจิตที่มีความสว่างเกิดขึ้นนะมีความเป็นอารมณ์เดียวเวลามีผัสสะเรานั้นมา ก, กระทบะมันจะแจ่มแจ้ง แ, แจ่มแจ้งในที่นี้หมายถึงแจ่มแจ้งด้วยความจริงแจ่มแจ้งด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถูกต้องในที่นี้คือเป็นกุศลธรรม เด่ถูกต้องเป็นกุศลธรรมตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นแต่การตัดสินใจทางใจในการตัดสินใจที่จะพูดอะไรออกไปหรือว่าการตัดสินใจที่จะกระทําอะไรทางกายออกไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเวลาเราทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแล้วไอ้ปัญหาต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะค่อยเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงเบาบาลงจนกระทั่งมันไม่กลายเป็นปัญหา มันกลายเป็นสิ่งธรรมชาติธรรมดาอย่างหนึ่งแต่เพราะนั้นเวลาที่เราตั้งสติเอาไว้ตั้งจิตไว้และมีสติอยู่ในลมหายใจบ้างมีสติจากการระลึกถึงเรื่องใดๆที่เป็นแนวทางกุศลธรรมบ้างมีสติอยู่ในกายบ้างมีสติอยู่ในคําสอนของผู้เช่าต่างๆนานาระลึกถึงความดีความงามอะไรของเรานั่นจริงของเราดีละจริงของเราแจ่มละจริงของเราชัดแจ้งละและมีสติตั้งขึ้นอยู่ มีอะไรมากระทบการตัดสินใจของคุณดีดีคือเป็นกุศลคุณทำดีพูดดีคิดดีแต่จริงของคุณก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นเห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นสร้างกุศลสร้างบุญเกิดขึ้นในใจของเราเราจะทำสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยให้มันไม่เป็นปัญหาได้ปัญหามันจะค่อยจางคลายเบาบางจนถึงความที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเรารับรู้สิ่งนี้ได้เราก็ปล่อยวางได้เราเห็นสิ่งนั้นได้ เรารู้สึกสิ่งนี้ได้จะวางมันก็าวางตรงที่มันเห็นนะั่นล่ะจะวางมันก็วางตรงที่มันรู้นะนะั่นล่ะเราจะวางได้เห็นได้แล้วคุณก็ต้องมีสติเพราะฉะนั้นในการฝึกปฏิบัติของเรานะให้ทําอยู่อย่างเรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องการทําเรื่อยๆการทําต่อเนื่องเนี่ยก็เลยเป็นการเพิ่มชั่วโมงบินแต่อย่างนักบินเขาจะฝึกบินเขาก็ต้องมีชั่วโมงบินคุณต้องมีชั่วโมงบินเท่านี้คุณหนึงจะเลื่อนขั้นหรือไปสอบอะไรต่อไปได้ แต่เช่นเดียวกันเราจะเพิ่มชั่วโมงบินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างวันคุณก็ต้องไม่เว้นในการปฏิบัติแต่แต่ว่าไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วเขาก็จะคิดว่าไอ้คนนี้เป็นอะไรห แ, แม่เป็นอะไรพ่อเป็นอะไรทํำไมนั่งหลับตาอยู่เฉยแต่แต่ว่าเราลืมตาทําก็ได้แต่ลืมตาทําก็ได้เพราะสิ่งที่เราทํานี้อยู่ในจิตในจิตเรามันไม่ได้มีตาหรอกแต่จิตเรามันรู้สึกได้รู้สึกทางตารู้สึกท้งหูรู้สึกทางลิ้นได้ ให้ความรู้สึกได้เมื่อไหร่ผู้ว่าสติตั้งขึ้นได้ตรงนั้นแต่เพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเลน่นไปเข้าสุ่จิตถ้าจิตเรามีสติตั้งขึ้นนั่นแหละเป็นช่องทางที่จะให้เราปล่อยให้เราวางให้เราเห็นตามที่เป็นจริงได้เมื่อเราเห็นตามที่เป็นจริงได้แล้ ว, ลวในใจเราจะสบายปัญหา น, นั้นจะค่อยจางไปค่อยหมดไปนั่นเองและสติที่เราฝึกตั้งขึ้นให้ได้นี้แต่ก็ยังมีประโยชน์กับคนรอบข้างด้วย เนื่อว่าความแจ่มชัดในใจของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่คนรอบข้างก็จะได้รับความรักความเมตตาการตอบสนองทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่ถูกตัางก็เป็นไปนในแนวทางกุศลธรรมเขาก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราแต่เขาจะได้รับความแจ่มชัดได้รับอนิสงส์จากการที่เราปฏิบัตินั้นด้วยแต่วันนี้ครัาพระไพบูญพระพิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพร